แล้วเราเราเจ้าวัชชีนะรงสดดบข่าวการในประเทศของวัชการพาพราหม์แล้วก็ตรัสบอกว่าพราหมโอ้อวดทำท่านทั้งหลายอย่าให้พรามนั้นข้าวแม่น้าคงคาไปได้ก็คืออย่าไปต้อนรับถ้าเขาจะมาเมืองเราเนี่ยส่วนวัชชีอีกบางพวกก็กล่าวว่าเขาว่าพรามผู้นั้นถูกเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาพูดปาราพวกเรา เอาที่ถูกลงโทษเนี่เนะพราะปาลบช่วยพวกเราเนะช่วยเมืองเราไม่ให้ถูกลุกลานวัชชีพวกหนึ่งก็กล่าวว่าท่านยาได้ให้พรามนั้นเข้ามาพรามนั้นไปพบพวกเจ้าวัชชีก็ถูกถามว่าท่านได้ทำผิดอะไรโอ้พรขนาดยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยแตกแยกแล้วเนะแตกแยกแล้วแตกทั้งสองสามพวกแล้วใชหถกกันใหญ่ แล้วคนที่คนบางคนเนี่ยเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยสามารถทําให้เดือดร้อนได้บางทีเดือดร้อนได้เป็นปีๆเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยแค่ขยับไปโน้นขยับไปนี้โอ้โหลำบากเดือดร้อนกันแล้วนี่เป็นอย่างนี้พราวนี่เหมือนกันนใะวัดสกาลพราวนี่ก็เหมือนกันยกงยังไม่มาถึงเลยจะแค่จะขยับมาแค่ น, นั้นโอ้ยพวกหนึ่งบอกว่าย้ายข้ามมาเนะไอ้พวกหนึ่งก็บอกว่าเ อ, อู้ เมืองเราเนี่ยอยู่รอดได้เพราะพรามนี้ช่วยเหลือไ ว, ว้พวกหนึ่งก็จะไม่ให้เข้ามาทะเลาะกันใหญ่ก็พราหม์เหล่านั้นนะเนะ่ยทำพราหมบอกว่าพราหมทําผิดเพียงเล็กน้อยไม่ควรลงโทษหนักอย่างนี้ก็เลยเอาไปถกกันในในนคร น, นครเรื่องในจึงเรื่องเหล่านั้นนะะในนครนั้นก็มีตําแหน่งก็เลยในที่สุดจริงๆก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย ใช่ไหมในสุดเสียงส่วนใหญ่จะเอาไว้จะให้อยู่ในตําแหน่งอะไรเอาแล้วใช่ไหมหาตําแหน่งให้แล้วเพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ พ, าราพรามณ์ก็ตอบว่าข้าพระองค์เป็นอมาตะฝ่ายวินิจฉัยเจ้าราชวีก็ถามว่าท่านจงตําแหน่งตําแหน่งอก็ถามว่าสกัลลาพรามบออยู่ที่ควัญมคธเนี่ยมีตําแหน่งอะไรบอกเป็นเหมือนผู้วิพากษาด้วยอะมันตําแหน่งใหญ่รองจากพระเจ้าแผ่นดิน ก็เลยมาบอกเออถ้าอย่างนั้นก็ให้อยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันก็บมเน็จบำแล้ก็ให้ให้รางวัลเหมือนกันาดชกุมารพระองค์ที่ก็อยู่นพรามนั้นก็ทำหน้าที่วินิจฉัยเป็นอันดีเลยนะ่ยใหม่ม่โอ้โหทำหน้าที่ดีมากราดชกุมารทั้งหลายก็พากันมาศึกษาศิลปะในสำนักของพราม์เอาแล้วตัวเนี้ยนุกเสร็จเริ่มเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว สำคัญมากนะคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะสอนพวกที่จะไปเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองในพวกนี้โหน่ากลัวเพราะเวลาสอนเนี่ยนะไม่ใช่สอนแค่ความรู้เอานิสัยเอาทัศนคติของตนเองยัดเข้าใส่ <c oughs> ใส่ลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมลูกศิษย์ก็รับเต็มๆแล้วนั่นการสอนเนี่ย การสอนให้ความรู้คําสอนเนี่ยบางคนก็ให้แค่ความรู้ตามคําสอนไปบางคนก็เอาทัศนะของตอนเองเอาอุปนิสัยของตอนเองเนะี่ยแทรกเข้าไปแทรกเป็นยาดําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างเงี้ยอันตรายถ้าใครได้อาจารย์แบบนี้อันตรายเขาเรียกเขาแทรก แท้แท้แทกสิ่งที่ถูกก็เพราะว่าจะไมมีแทกสิ่งที่ผิดให้เลื่อยเลืยเลยตรงนี้กว่า mm. จะรู้ตัว mm. โอ้โหมีสารที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายเต็มเลยตรเนี้เ mm. อาออกไม่ได้ก็ <laughs> จะรู้ตัวยุ่งเลยตรนี้ mm. เป็นเรื่องเป็นราวเลย mm. ทุกวันนี้น่ากลัวที่สุดคือว่า mm. นั่งกรรมาฐานแล้วเป็นบาแมนี่คนไม่รู้ขึ้นไปพูดไปจากันแล้ว เขาก็ถามกันเนี่ยคนที่ขนาดเป็นครูบาอาจารย์ในบ้านในเมืองเขาบอกเฮ้ยเ ข, ขนาการนั่งกรรมฐานเป็นบ้าจริงหรือเปล่าเลยไม่กล้าไม่กลยังนั่งกรรมฐานเงอนกลัวบา้านี่คนไม่รู้เรื่องไม่รู้ทำยังไง <c oughs> แล้วการไอ้ที่เขาไปฝึกมโนยิจที่เนี่ยเขาฝึกไงรู้ไหม เขาไปดูนรลกสวรรค์เวลาเขานั่งไปปุ๊บเนึ่ยเขาจะมีคนหนึ่งเป็นคนกล่าวนาล่องไปเออเขาฝึกกันอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นกันเป็นแถวเป็นแถวอย่าไปคุยกับเขาในพวกนี้คุยแล้วเราโง่เลยลำบากเกินใค่ไปนั่งคุยบอกโอไม่ไหวแล้วต้องรีบเดินนีไม่รู้ไปเอาหลักการที่ไหนมาสอนลำบากเงือนนี่เป็นอย่างเงี้ย เนื่อต่อมาเนี่ยนะราชกุมารทั้งหลายก็พากันไปศึกษาศิลปวิทยากับวัศกาลพาวัศกาลพามก็ได้เริ่มทําการยุยงวางแผนให้เจ้าวัดชีน่าแตกแยกกันโดยการเข้าไปคุยกับเจ้าวัดชีทีละคนสองคนเป็นต้นเหล่านี้เช่นถามว่าทํานากันหรือแล้วก็กลับไปเจ้าลิชชวีองค์ oh, อื่นเห็นขณะพูดคุยกันก็เข้าไปสอบถามเจ้าฤทธชวีองค์นั้นว่าคุยเรื่องอะไรกันพอได้คําตอบก็ไม่เชื่อ ว่าได้พูดกันอย่างนั้นจริงไมมเรียกเข้ามาคุยคือเรียกเข้ามาเป็นการรับเป็นการเป็นงานแต่มาถามว่าแต่๋ยวกลับไปถามเรื่องธรรมดาใช่ <c oughs> หเออทำนาหรือเปล่าพอออกไปปุ๊บอเอออาจารย์เรียกเข้าไปทำอะ่ร <c oughs> ไม่ไมี <c oughs> <c oughs> อะไรถามทานาได้ข่าวเปล่าโอโห เ, เป็นไปได้หรืออาจารย์ระดับนี้ถามเรื่องแค่นี้ใช่ไหยวิธีการสร้างความหวาดระแวง วิชานี้ห้ามเอาไปใช้เนี่ยเรียนได้แต่ห้ามเอาไปใช้แต่ร่วมเป็นโทษดังนั้นเห็นคนเขารักกันอยู่ดีๆเนี่ยมาคุยซ้ายคุยขวาก็เนี่ยุ่งเลยตกนรกนะคำพูดลักษณะนี้มิเจตนาไม่ดีแต่ก็ตกไปแล้วคนพูดนี้ตกไปแล้ว แล้วถามเจ้าฤชวีว่าท่านจนนักหรือเขาว่าท่านขาดนักหรือถูกถามว่าใครพูดพรามนั้นก็จะอ้างว่าคนโน้นพูดเป็นต้นเหล่านี้การกระทาเช่นนี้กระทำอยู่ถึงสามปีในที่สุดจริงๆก็แยกฤชวีออกจากกันได้เจ้าฤชวีไม่เข้าร่วมประชุมกันเหมือนเคย พรามจึงส่งข่าวถวายพระลาชา ว, ว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วโปรดรีบเสด็จมาเถอดนั้นเวลาพอทำการยุยยงได้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอทำการยุยงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าจนสามารถทให้แตกกันจนเป็นเสียงหมดแล้ว ใช้เวลาถึงสามปีเนี่ยเนี่ยในที่สุดจริงๆก็คือว่าส่งข่าวให้กับพระราชาพระให้กับพระเจ้าชาติตัวพระเจ้าชาติาาตัวได้สะดับข่าวแล้วก็โปรดให้ตีกองเรียกไพ่พลกี่าทับออกไปเลยทีนี้พอกองทับมาเนี่ยเนี่ยชาวเวสาลีก็ตีกองเหมือนกันแต่พอแตกแล้วเป็นยังไงโอ้ มึงไปกูไปเลยแต่เนี้ยเอาที่เก่งนักอะอเก่งนักออกไปฟังนอย่างเงี้ยนะในํานองบอกว่าพวกเราจักไม่ยอมไม่พระราชาเสด็จเข้ามณ้ำกรงคาแต่พระเจ้าวาชีก็เกี่ยงกันกันกบาวว่าคนเป็นใหญ่จงไปแล้วก็ไปร่วมกันในที่ประชุมแม้จะตีกองแจ้งว่าพระราชาเสด็จถึงประตูเมืองแล้วก็ให้ปิดประตูประตูเมืองก็ไม่มีใครไปประชุม บอกว่าขนาดประตูเมืองนี่เนียจะเปิดอยู่เนี่ยบอกให้ตีกองเพื่อให้เปิดประตูเมืองฝ่ายพระยาชาติัวจะได้เข้าเมืองไม่ได้เอาที่เก่งก็ไปปิดดื้ออะไรเป็นต้นนี่ในที่สุดจริงๆอ่ะทะเลาะกันเองเมืองถูกยึดได้ย่อยยับเลยภายในสามปีนี่เป็นอย่างงี้นะอันนี้อ่านเล่าอัตกถาให้ฟังต่อไปก็คือว่าเมื่อวัสการาพามหมาหมั แฟนบกท์กลับไปแล้วไม่นานพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่พระอา น, นุ์บอกดูก่อนอา น, นุ์เธอจงไปภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดอาศัยอยู่ในกรุงราชคืเธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปถ า, านสาราพระอ น, นุนกราบทูลรับแล้วให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในอุปท า, านนาลาและข้าและเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายบังคมแจ้งความพร้อมของสงแดชพระพุทธองค์สเสด็จไปสู่อุปสถานศาล า, าประทับนั่งแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการแก่เธอทั้งหลายคือพระเจ้าก็ให้ประชุมสงนะเมื่อประชุมสง์เสร็จแล้วก็แสดงอปริหานิยธรรมพระเจ้าก็เลยแสดงบอกว่าภิกษุทั้งหลาย ยังประชุมกั น, นเนืองๆจักประชุมกันอยู่มากตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นั่นข้อแรกประการที่สองก็คือภิกษุทั้งหลายยังพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกินกิจสงที่พึงกระทําตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวหาความเสื่อมมีได้ประการที่สมภิกษุทั้งหลายยังไม่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัิไว้ จกไม่เพิกถอนสิ่งที่พระตราคตบัญญัติไว้แล้วจกสมาธานประพฤติปฏิบัติอยู่ในศิกขาบททั้งหลายตามที่พระธรรมคตบัญญัติไว้แล้วตลอดละการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวหาความเสื่อมนี้ได้ข้อที่4ภิกษุทั้งหลายยังสการะเคารบนับถือบูชาภิกษุทั้งหลา ย, ลายผู้เป็นพระเถระรู้การนานผู้บวชมานาน เป็นบีดาของสงฆ์เป็นปรินายกของสงฆ์และยังเชื่อฟังโอวาทที่พึงรับฟังท่านด้วยตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึ่งหวังความเจริญป่ายเดียวหาความเสื่อมีได้ห้ภิกษุทั้งหลายาล ย, าาาลา ย, ยังไม่รู้อำนาจของตันหาอันเป็นปกติให้เกิดในภพใหม่ที่คือข้อที่หกที่บอกว่าข้อที่ห้บอกว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่รู้อานาจของตัหา อันเป็นปกติให้เกิดในภพใหม่ที่เกิดตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ข้อที่ 6. ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีความยินดีในเส น, นาสนะตามราวป่าตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ข้อที่ 7. ภิกษุทั้งหลายยังเข้าไปตั้งสติเฉพาะตนว่าทาอย่างไร เพื่อนพรมอาจารย์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอให้มาและเพื่อนพรมอาจารย์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพื่อหวังความเจริญไฝ่เดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปริหารยธรรมเจ็ดประการเนี่ยยังจัดตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังเห็นดีร่วมกันในอปริหารยธธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ ตลอดกาลานานเพียงไรภิกษุทั้งหลายบุญหวงความเจริญโดยส่วนเดียวหาความเสื่อมนีได้อันนั้นเป็นพุทธพจน์ต่อไปก็ไปดูในอัตถกถาในสมังคะลวิลาสินีอัตถกถาเพราะเหตุที่ประชุมกันเนืองๆเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ยินข่าวที่มาในทิศ ต, ต่างๆว่าสีมาของวัดโน้นก็วุ่นวายอุโบสถและโบรณ า, าก็งด ภิกษุทั้งหลายที่โน้นก็กระทํอาอเนสนากรรมกรรมที่ไม่สมควรมีเวศกรรมบ้างเป็นหมอบ้างเป็นทูตกรรมบ้างเป็นทูตเนี่ยนะเป็นผู้มากไปด้วยวิญยัตคือการเคลื่อนไหวกายในการขอไม่รู้จัดกิจของตนเลี้ยงชีพด้วยอเนสนากรรมมีการให้ดอกไม้ให้ไม้ไผ่เป็นต้นภิกษุภิกษุชั่วทั้งหลายรู้ว่าสง์เผอร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนย่อมทําให้าศาสนาเสื่อมถอย ก็บอกว่าเนี่ยเหตุแหงการไม่ประชุมกันนิดจะมีโทษเนี่ยการประชุมกันของพระก็ประชุมบอกว่าเออเนี่ยพระเนสังก็มนทนเนี่ยที่วัดนู้นที่ตรงนู้นเนี่ยยังประพฤติปฏิบัติดีกันอยู่ไหมมีการลงอุโบสถกรรมมีการปวารณากรรมกันว่าไงเออมีพระที่ไหนทำอเนศนากันบ้างอเนศากรรมกรรมที่ไม่สมควรเนี่ยเช่นเป็นหมอดูอ่ะองค์ไหนเป็นหมอดูเป็นหมอยาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ย เราจะได้รู้ว่านี่มีพระที่เกิดขึ้นในการทําลายศาสนาเมื่อทําลายศาสนาแล้วเราจะได้ช่วยกันป้องกันเหมือน น, นเนี่ยงานตรงนี้พระก็ไม่ค่อยทองกันเท่าไหร่ใช่ไหมหรู้ว่าเออพระองค์ไหนที่ทําวินยัตคือการเคลื่อนไหวในการขอคําว่าทําวินยัตเนี่ยบางทีก็ทํากายวินยัตในการขอเช่น ท, ท, ท, ทําดีทําท่าว่าเคร่ ง, เ, งนเนี่ยเนี้ยทำให้คนนับถือเช่นท่านนั่งอย่างนี้จะยอมนับถือก็นั่งแบบนี้ ถ้าท่า น, นี้เราดูแล้วเหมือนมันติดตลาดนี่ก็เลยนั่งอย่างเงี้ยนะก็เลยนั่งสมมติอย่างเงี้ยหรือว่าคําพูดเนี่ยนะก็ขอนู่นขอนี่พูดจะหยอกย่อมวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพื่อจะได้สักการละถ้ารู้อย่างนี้ก็แปลว่าพระศาสนาจะเสื่อมถอยเพราะการกระทําของภิกษุอย่างนี้เป็นต้นอันนี้การประชุมกันเนี่ยแต่เมื่อมีการประชุมกันเนืองๆภิกษุทั้งหลายย่อมได้ยิน ในเรื่องนั้นๆแต่นั้นก็จะส่งภิกษุไปกระทำสีมาให้ตรงเช่นถ้าโอูตรงนั้นทำสีมาไม่ได้ก็ส่งภิกษุไปอุโบสถปาวนาเป็นต้นก็ในทํานองเดียวกันก็จะส่งภิกษุไปนับเนื่องในอริยวงในที่นั้นนั้นเหล่าภิกษุที่มิชาชีพหนาแน่นนะให้กล่าวอริยะวงมีการอยู่ป่ามักน้อยเป็นต้นให้เหล่าพระวินัยทอนกระทานิฆาภิกษุชั่วทั้งหลายก็คือว่า ถ้าเกิดมีพระทำผิดขึ้นมาก็ส่องกลุ่มพระวินัยทรทั้งหลายพระที่แข็งคลัดในพระวินัยเนี่ยนะไปตัดสินคดีความเพราะตัดสินคดีความก็จัดการลงโทษไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการกำหลาบภิกษุชั่วภิกษุราบุกหนึ่งแงภิกษุชั่วทั้งหลายลั้วสงไม่เผอพวกเราไม่อาจจะร่วมกันเป็นหมู่ได้ก็แตกไปนี่จักเป็นความเจริญของวัาสงนาก็จะทํากันในลักษณะอย่างนี้ แต่ปัจจุบัน ก, ก็เป็นการปกครองโดยองค์กรสงฆ์องค์กรสงฆ์ก็ปกครองก็คอยควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระรมวินยัยอันนั้นก็ว่ากันไปนี่นะงั้นการประชุมกันเนืองเนืองเนี่ยจึงเป็นประโยชน์ด้วยอาการอย่างนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหมพระก็เป็นประโยชน์ทีนี้นเมื่อเขาตีกองหรือข้อระคังประกาศว่าสงฆ์จงประชุมกันเพราะประสงค์จะแจ้งวัตกติกาหรือกติกาการปฏิบัติตนก็เรียกวัตกาติกา คือวางกติกาในการปฏิบัติตนเพื่อประสงค์จะให้โอวาดเพื่อปฏิบัติเจดีปฏิบัติลานโพหรือเพื่อมุ่งโรงอุโบสถภิกษุกลับทําการหลีกเลี่ยงว่าผมมีกิจด้วยจีวรสมบัติผมมีการก่อสร้างชื่อว่าไม่พร้อมเบียงกันประชุมเนีเช่นก็ตีละครั้งลงอุโบสถนะประชุมกันเพื่อจะรับฟังโอวาท ประชุมกันเพื่อจะกวาดวิหารลานโพลานพระเจดีย์เขาบอกว่าผมไม่ว่างอ่ผมมีกิจในการจะสักดีวอนมีกิจในการที่จะโรมบาทสมบาติมีกิจในการจะก่อสร้างอันนี้เชื่อว่าไม่ไม่ห้อมเพียงกันประชุมเป็นความเสื่อมส่วนภิกษุทั้งหลายเว้นกิจการนั้นทั้งหมดประชุมกันด้วยความสนใจว่าผมก่อนผมก่อนหมายความว่าโอ้โหรีบเร่งเลยใช่ไหม พระเถกกรเนี่ยเวลาเขามีการประชุมในการฟังธรรมเขาก็แย่งกันนั่งหน้าเอาอเถกกรนี่เนี่ยอันนี้ว่าพระเนี่ยเออคือไปอ่านศึกษาในสถิติประธานนี่ไหมพอมีการประชุมโอ้โหเขาเรีบปีบจะนั่งหน้ากันเลยอยากจะอยากจะฟังนั้นเรื่องการฟังคําสอนเรื่องการศึกษา เ, เขาใส่ใจมากปัจจุบันโอ้โหขนาดโฆษณามีการ ค น, คนไม่ค่อยสนใจฟังชื่อว่าพร้อมเพียงกันประชุมเนะทีนี้อันหนึ่งการประชุมแล้วปรึกษาการทํากิจที่ควรทําไม่เลิกพร้อมกันไม่เชื่อฟังพร้อมเพียงกันเลิกก็บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เลิกประชุมกันแล้วอย่างนี้ภิกษุที่ไปก่อนก็คิดว่าพวกเราฟังแต่เรื่องนอกเรื่องบัดนี้จะคุยกันแต่ข้อที่ยุติแต่เมื่อเลิกพร้อมเพียงกันแล้วก็เชื่อพร้อมเพียงกันเลิก อันหภิกษุทั้งหลายสดับว่าสีมาของวัดโนชื่อโน้นเนี่ยวุ่นวายอุโบสถปอนาก็งดภิกษุชั่วในชื่อโ น, น้นเ น, น, น, น, น, น่ยหนาแน่นภิกษุเหล่ า, า, นานั้นกล่าวว่าใครจะไปทํานิกาหากภิกษุเหล่านั้นจึงพูดรับอาสาวับผมก่อนผมก่อนแล้วก็ไปในชื่อพร้อมเพียงกันเรื่อก็แปลว่าถ้าหากว่าเออมีเรื่องเกิดขึ้นนี่ยนะเออภิกษุรูปใดจะเป็นคนไปแก้ปัญหา mm. ก็ยกมือรับอาสาแล้วก็ไปพร้อเพกันเจื่ป้ากว่าเออมีเอง อย่างนี้เขาจะพร้อมเพียงคือแย่งกันเลยอะทุกคนก็อยากจะไปทํากิจของวาสนา oh เ <laughs> มื่อโอ้ไม่กล้าใช่ไหมโดีคดีความเกิดขึ้นแล้ววัดนั้นน่ะอุ้ยเอาองค์นั้นเนี oh ่ยไม่กล้ากลัวชาว บ, บ้านเขาด่าอันนี้ก็เร oh ื่องไม่กล้างานวาสน า, า, า, าต้องกล้าต้องไม่กลัวเนี่ยอย่าไปกลัวในเรื่องที่ถูกต้องแต่ต้องทําให้ถูกเนี่ย ก็ภิกษุทั้งหลายนะพบกับภิกษุอคันตุกะก็ทูลว่าจงไปบริเวณ น, นี้จงไปบริเวณ น, นั้นทั้งหมดแม้จะกระทำวัดอยู่ก็ดีพบาภิกษุผู้มีบาทจีวรเก่าสแสวงหาบาทจีวรเพื่อภิกษุนั้นก็ดีพูดว่าจงไปบริเวณโน้นสิจงไปบริเวณ น, น, น, น, นั้นสิก็ดีมีคำภี์เหลืออยู่คำภีหนึ่งก็ส่งขอภิกษุชื่อว่าพร้อมเพียงกัน ก, นกนระทำกิจของสงฆ์ที่พึงกระทำก็แปลว่า เป็นการช่วยกนันนะถ้ารู้ว่าตรงไหนมีจีวรตรงไหนมีคําสอนตรงไหนแรงต่างเหล่านี้ยพระบางองค์ไม่มีหรือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนบอกโอ้ก็ตรงนั้นมีคมภีร์นะที่วัดตรงโน้นะมีคมภีร์อยู่ตรงเนี้ยให้ไปเอาที่ตรงโน้นสิแรงต่างอย่างนี้ก็เรียกทากิจภิกษุทั้งหลายตั้งวัดกติกาหรือสิกขาบทที่ไม่ชอบทําขึ้นใหม่ชื่อว่าบัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้เหมือนภิกษุเมืองสาวกถี เรื่องหล่อสันทัดเก่าภิกษุที่แสดงคําสั่งสอนนอกธรรมนอกวินยัยชื่อว่าถอดถอนข้อบัญญัติที่พุทธองพุทธองค์ ท, งทรงบัญญัติไว้แล้วเหมือนภิกษุว์วชีบุตรชาวเมืองเวสาลีหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้ร้อยปีเออพิสูจน์วชีบุตรเนี่ยนะที่บัญญัติศิกขาบทขึ้นมาใหม่หลังจากพุทธะปรินิพานแล้วร้อยปีนี่เนะี่ย ก็บัญญัติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ไม่ใช่วินัยขึ้นมาว่าเออเนี่ยอย่างเนี้ยส่วนพิกูุใดจงใจละเมิดอัอบัตเล็กๆน้อยๆชื่อว่าไม่สมาทานประพฤติในศึกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนอย่างพิกจุอัศเิและปุณณวัฏสุกะก็คือต้องอับัติคือกระทาผิดส่วนตัวบางทีกระทาผิดส่วนตัวกะกระทาผิดเพื่อลบล้างว่าทำวินัยของพุทธเจ้าไอ้ตรงนี้ถ้าลบล้างว่าทำวินัยเนี่ยเช่น พระเจ้าจไม่ได้บัญญัติไว้ก็บัญญัติขึ้นมายกตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนก็ใช้ไม้ปักว่าเงาของไม้เนี่ยของเงาไม้อยู่ตรงเนี่ยประมาณกี่นิ้วนี่นะประมาณกี่นิ้วเออปร ะ, ประตรงอย่างเงี้ยหลังในภายนั้นเน่ะฉันอาหารเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเลยมาประมาทนิวน้วสองนิ้วเงนี้ฉันไม่ได้งนี้แต่ภิสูจชาววชีก็บอกได้เป็นไรนิดๆห น, น, น่อยๆอนุโลมได้เงนี้ยทั้งๆที่ไม่มีบัญญัติไว้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงไม่บัญญัติส่วนภิสูจทั้งหลายไม่ตั้งวัดกติการหรือสิกขาบทขึ้นใหม่แสดงคําสั่งสอนจากแสดงคําสั่งสอนจากธรรมวินัยไม่ถอดถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆชื่อว่า ไม่บัญญัติข้อที่ไม่ทรงบัญญตัติไม่ถอดถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนท่านพระอุปเสส น, นะท่านพญาสกากันทบุตรและพระมหากสะศพผู้ตั้งแบบแผนที่ว่าท่านผู้มีอายุขอสงฆ์จงวังก็พะย่าสิกขาบททั้งหลายของพวกเราเป็นส่วนของคดหัดก็มีอยู่ เนืคารหาทั้งหลายก็รู้ว่าสิ่งที่สมควรแก่สมณาสักยะบุตรสิ่งนี้ไม่สมควรแก่พวกท่านก็พวกท่านจงถอดถอนสิกขาบทเล็กน้อยกันไซ ก, ก็จักมีผู้เก่าเอาไว้ว่าสิกขาบทที่ภาพสมณาโคดมบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายอยู่ได้ชั่วควันไฟนีสาวกเหล่านี้ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราเท่าที่พระาศาสดาของสาวกเหล่านั้นยังดำรงอยู่ พอพระศาสดาของสาวกเหล่านี้ปรินิพพานแล้วเนี่ยบัดเนี่ยสาวกเหล่านี้ก็ไม่ยอมศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นดังนี้ก็หมายความบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตําหนิเอานะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนอยู่เนี่ยโอ้สาวกเขาประพฤติธปฏิบัติพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธบรินิพพานแล้วเนี่ยเนี่ยวัดเดียวด้านั้นเนี่าสาวกเหล่านั้นก็ไม่ยอมปฏิบัติพากันละเลยสิกขาบทที่พระ อ, องค์ทรงบัญญัติไว้ ก็เป็นการตีเตียนไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยพิว่าความพร้อมเพียงของสงถึงที่แล้วสงไม่พึงบัญญัติข้อที่ไม่ทรงบัญญัติไม่พึงเพิกถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วแล้วก็พึงสมาทานประพฤติในศึกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้ท่านพระมหากระสนพร้อมด้วยผ้าละหันห้าร้อยนะีทั้งหมดเนี่ยก็ประกาศยติบอกว่าต่อไปห้ามเพิกถอนศึกขาบท เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยถ้าจะเพิกถอนต้องเพิกถอนในระหว่างที่พุทธเจ้าทรงทรงพชนดิ์นั้นคำสอนในฝ่ายของเถรวาทก็ก็ไม่เพิกถอนแต่ว่าไอปฏิบัติกันได้แค่ไหนในคนละเรื่องเนาะแต่ไม่เพิกทองบทว่าเถราได้แก่พูดถึงพร้อมอถึงความเป็นผู้มั่นคงคือประกอบด้วยคุณอันกระทําความมั่นคงอะไรแหละคือความมั่นคงศีลไง ศีลนี่จัดว่าเป็นความมั่นคง el document, água. นะคะี่ไหมเนว่าการจะสร้างตึกเน um> Tokyo, ột, <_<_<_ like <_<_ี่ฐานก็ต้องมั่นคงคนจะเจริญรอางานในพระธรรมวินัยของพระพภทธเจ้าศีลต้องมั่นคงศีลเป็นต้นเลยนะเชื่อว่ารัตัญโยเพราะรู้ราตีมากรู้ราตีมากคําว่ารัตัญโยรู้ราตีมากเนี่ยเขาท่านเขาใช้เรียกใครเรียกท่านพระโกนทัญญะท่านพระโกนทัญญาเนี่ยนะ ได้บรรลุก่อนเขาแล้วก็ร่วงการผ่านวัยมามากรู้เรื่องราวต่างๆมาเยอะเห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆมามากเขาเรียกรัฐอยู่รูราตีมามากแต่บางคนรู้มากแต่ไม่ก็ไม่ไม่รู้จักเออไม่รู้เรื่องในการที่จะปฏิบัติตนก็ไม่น่าจะจัดจีรัตปพภพิชิตาก็แปลว่าบวชมานาน จีละจีละนะ่ยแปลว่ายาวนานนะปปปชิตาบูบันบชิตบวชมานานเน่ยเชื่อว่าสังคปิตโรเพราะตั้งอยู่ในฐานะเป็นบีดาของสงเป็นใหญ่นั่นเองเชื่อว่าสังคปริณายกาเพราะเป็นเพราะบริหารสงเหตุตั้งอยู่ในฐานะเป็นบีดาเป็นหัวหน้าปฏิบัติเป็นหัวหน้าปฏิบัติในบทคือศิกขาสามศีลสมาธิปัญญานี่นะ คนที่เป็นหัวหน้าอย่างทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกอันนั้นเขาเรียกเป็นบิดาของพระสงฆ์เนี่ยเป็นนายกเป็นผู้นำเป็นผู้นำในอะไรเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามศีลขาศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นแบบเนี่เป็นแบบให้กับคนที่เป็นลูกๆหรือเป็นลูกคณะ คนที่เป็นบีดรนบินบิดาเหมือนบิดาเนี่ยนะก็ต้องปฏิบัติให้ลูกดูคนที่เป็นพี่ป้าหน้าอาเลงต่างเนี่ยก็ต้องดําเนินไปตามคุณธรรมทั้งหลายต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างคนที่อยู่ในฐานะเป็นบิดาเป็นหัวหน้าปฏิบัติในอธิศีรสิกขาที่จิตตสิขาที่ปัญญาศิกาขาก็เป็นเขาเลยเป็นแบบอย่างเิกษูเหล่าใดไม่กระทําสกาลาเป็นต้นแก่พระเทล่เหล่านั้นไม่ไปปนนิบัติ วันละสอ ง, งสามครั้งเพื่อรับโอวาทพระเทล่แม้เหล่านั้นย่อมไม่ให้โอวาทไม่กล่าวเรื่องประเพณีไม่ให้ศึกษาพระธรรมบรรยายเป็นสาระแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นถูกพระเทล่เหล่านั้นสลัดเสียแล้วย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้คือจากธรรมขันคือเสื่อมจากศีลขันสมาธิขัน ปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศน์ขันและเสื่อมจากอริยทรัพย์ศรัทธาศีลสุตตาจาระปัญญาหิริโอตปาเนี่เสื่อมจากเหล่ลาใดก็ะทำสการะเป็นต้นเขาบอกว่าส่วนภิกษุเหล่าใดนี่นะก็ะทำสการะภิกษุที่เป็นอยู่ในฐานะเป็นว่าเถอร่เป็นต้นเป็นปณินนบัติหนึ่งวันละสองถึงสามครั้งเป็นต้นว่าเธอร่เหล่านั้นก็ย่อมให้โอวาดภิกษุเหล่านั้น เธอก็พึงก้าวหน้าพึงถอยกลับพึงเหลียวอย่างนี้พึงคู่อย่างนี้คือพระท่านก็จะบอกว่าใช่ไหมว่าคัดชั้นโตวาคัดฉามีติประชาเนติเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เดินอยู่นิสินโนวานิสินโนมีติประชานาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าบัดนี้ยืนใช่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนในกา้าวยังไงให้กาหนดยังไงให้พิจารณายัางไงพระเถระท่านก็จะบอก บอกกันอย่างเราเรียนสติปัฏฐานไปแล้วก็จะรู้ใช่ไหมเออเดินยังไงต้องรู้เลยเดินยังไงเอก็เดินไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างอย่างเีย้ยมีผูเดินแล้วต้องต้องรู้ว่าควรกําหนดควรใส่ใจอย่างไรพึงคู่อย่างนี้พึงเหยียบอย่างนี้พึงทรงบาตกีวรสอนเรื่องประเพณีให้ศึกษาทำธรรมะบรรยายที่เป็นสาระพร่ำสอนด้วยทุดงสิบสามคาถาวัตถุสิบ ภิกษุเหล่านั้นอยู่ในโอวาทของภิกษุเหล่านั้นก็เจริญด้วยคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตเป็นต้นย่อมบรรลุสามัญญผลบรรลุโสดาสกาธานาคาและอรหัตผลเป็นต้นเป็นไปตามลําดับอันนั้นเพราะเป็นคุณของการเข้าหาพระเถระปัจจุบันได้จะเข้าหาพระเถระก็ตรวจสอบให้ดีนะว่ามีเถระทำทำที่เป็นพระเถระหรือเปล่าเข้าไปไม่ พระเถระขี้กโกรธนี่ขี้งดงิดอันนี้ก็ต้องอยู่ห่า ง, างๆอย่างนั้นไม่ใช่เหมือนการเข้าหาพ่อหาแม่หาปู่ย่าตายายก็ต้องดูเหมือนกันประเภทที่จู้ที่จุกจิกขี้บ่นนั้นก็อยู่ห่างๆก็ดีการให้การการให้ให้การเกิดชื่อว่าพบใหม่การเกิดใน พ, พบใหม่พบใหม่นั้นเป็นปกติของตันหา คือตันหาเนี่ยเามีหน้าที่อะไรเกิดในภพใหม่เกิดเรื่อยๆฉะนั้นตัวตันหาเนี่ยเขาเรียกโปโนภวิการเนี่ยนะเขาแปลว่านำเกิดตะพึ้นเขาเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวร้อยเป็นตัวเย็บภพพิกษูเราได้รับบินทบาทของอุปถากแล้วยังไปรับจากบ้านอื่นอีกเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่เหล่านั้นชื่อว่าอยู่ในอำนาจของตันหาเหล่านั้นแปลว่าได้อาหารพอแล้ว บอกที่จริงถ้าฉันมันพอแล้วแต่ตัณหาไม่พอมันไปรับมากๆเปิดที่จะได้อะไรเยอะๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ภายใต้อํานาจของตัณหาไม่ควรทําไม่ควรให้ตัณหากดคอเราเอาอย่างเราเนี่ยนะชีวิตในการใช้ชีวิตเนี่ยเรามีตัณหาเป็นตัวบงการหรือเปลาต่ตัณหาเป็นตัวบงการ แ, แาเาราก็ แม้ถ้าพูดว่าอย่าไปเป็นธาตของตัณหาเนี่ยมันพูดง่ายทํายากเหมือนกันพูดง่ายง่ายแต่ทํายากยากคนเอ้วยากยังไงก็บอกว่าบางทีคือในชีวิตของเราเนี่ยตัณหามันเป็นไปกับอารมณ์ทั้งหกอยู่แล้วมันเป็นไปกับทางทวาลตาหัวจมูกลิ้นกายใจตัณหาถ้าจะเกิดก็เกิดในไหนเกิดในปียรูปสาธารูปในอารมณ์ที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจ มันจะไปน่ารักน่าพอใจมาทางตามาทางหูมาทางจมูกมาทางลิ้นมาทางกายมาทางใจในตัณหามันเข้าไปยึดครองใช่ไหมเราเอเราจะไม่เป็นทาสของตัณหาต่อไปแล้วเราไปประกาศอยู่พักเดียวนึงต่อไปเราจะเราจะเป็นไทยเราจะไม่เป็นทาสพอประกาศเบ็ดเสร็จโอ้ยชักเริ่มหิวขึ้นมาอีกแล้วบอเออะไรก็กินได้เราจะไม่ทาสของตัณหาจะคิดหนัก คิดนะักก็นักข้านักข้าก็ไปตามอำนาจของตัญหาสิ่งที่น่าคิดที่สุดคือว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็ว่าเนีย่ยที่เราแบ่งสามถึงสี่คำแรกพยาธกินหมดเราเป็นเราเป็นธาตุของตัญหายัางไบอเนี่เลี้ยงเลี้ยงพยาธส่วนหนึ่งก็ไปเป็นปัสสาวะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นอุจจาระ ไอ้ส่วนหนึ่งก็ไปเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นกระดูกเป็นไขมันเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เออธรรมพิจารณาอย่างนี้เบีสร็จก็โอ้โหมันเราเป็นธาตุนี่ไงไอ้อย่างนี้ก็เราก็เริ่มเริ่มจะ ม, ม, มองเห็นว่าโอ้โหเรานี่เรานึกว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่แค่ไปย่าติตวัวเดียวเรายังต้องจอมแพ้เลยพอมันร้องจอ้องๆขึ้นมาอต้องรีบเลยที่เป่งอาอะไรไป ในตำนานว่อออย่าร้องนะอย่าร้องนะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวจัดการนะให้จัดการ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ดูแลเอามันอยากเสื้อผ้าสวยๆงามๆเอาอยูแล้วตามใจก็อีกเขาวงการอีกแล้วสีนี้ดีสําหรับวันนี้เอาอยากจะมีเครื่องประดับอีกแล้วเอาอยากจะอะไรโอสารพัดเลยตอนนี้นะก็เหนื่ก็เนี่ยกลับมาก็นอนสมแพ้กลับมาอีกแล้ว เดี๋ยววันต่อไปสู้ใหม่ข้กันนะึงก็เป็นอยู่อย่างนี้นะสรุปแล้วก็คืออยู่ได้อํานาจของตันหาแต่ภิกษุนี่ท่านบอกว่าไม่อยู่ในภายใต้อํานาจของตนน่ะบทว่าอารัญญาเกศุได้แก่ป่าป่าเนี่ยห้าร้ยคันธนูห้าร้อยธนูเป็นที่สุดห้าร้ยคันธนูเป็นที่สุด ถามบอกว่าอารัญญาวัดที่บานชื่อว่าวัดอารัญญาวาสโอ้โหฟังชื่อละเพาะมึงแต่หาป่าแทบไม่มี <c oughs> ชื่อเพาะจริงสมัยก่อนน่าจะมีป่าเยอะอารัญญาวาสใช่ไหมอาว่าที่อาว่าที่เป็นป่าปัจจุบันโอ้หอิดปูนแต่หมดเข้าไปก็ร้อนอยู่ไม่ไหวบทีมีต้นโพใหญ่ เจ้าว่าตรงก่อนก็ตัดเป็นโพทิ้งซะอีกก็โอ้ไปใหญ่เลยทอนนี้บาปก็พอบาปไปกันใหญ่เลยตายไปแล้วฉะนั้นคำว่าป่าเนี่ยเขาก็แปลว่าจะต้องห่างจากบ้านเนี่ยห้าร้อยธนูห้าร้อยธนูเป็นที่สุดเป็นป่าบท ว, ว่าสาเปกขาได้แก่มีตัณหามีอะไร ภิกษุแม้ยังไม่บรรลุฌานในเสถานะใ ก, กล้บ้านเพราะออกจากฌานนั้นได้ยินเสียงหญิงเสียงชายเสียงเด็กเป็นต้นเป็นเหตุเสื่อมคุณวิเศษแก่ภิกษุที่บรรลุแล้ว แ, ลแต่พอนอนในป่าพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงราชสีเสียงเสือหรือนกยูงเป็นต้นอย่างที่เธออย่างที่เธอได้ปิติในป่าแล้วก็พิจารณาปิตินั้นแลตั้งอยู่ในผลอนเลิเป็นต้น เขาบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านเสียงหญิงแือเสียงชายเป็นต้นเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานถ้าฌานที่ได้อ่ะก็เป็นเหตุให้ฌานเสื่อมถ้าไม่เสื่อมก็ทำฌานให้เกิดไม่ได้ฉะนั้นถ้าไปอยู่ตา ก, ก็จะได้ยินเสียงเสือบ้างเสียงราชสีบ้างเสียงนกยุงเป็นต้นพอไปอยู่อย่างนั้นจิตใจก็ปลอดโปร่งแล้วก็ นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องการอยู่ป่าก็ยังปีติใช่ไหมยังปาโมดปีติปสัสสติยังสุขยังสมาธิเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็ไล่ไปตามาลำดนะับไปเนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่ป่าปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีศีลใช่ไหมถ้ามีเสือมีแรงต่างมันเพ่นพ่านไปมาก็ไม่กลัวตายเพราะอยู่ด้วยศีลถ้าหากว่าโอ้โหมองไปข้อไหนก็บอกพ้องข้อนั้นก็ไม่สมบูรณ์ข้อนี้ก็ไม่สมบูรณ์ ถ้าหากว่าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องประสบภัยต่างๆเนี่ยนะลําดับแรกก็คือดูศีลถ้าศีลของเรามั่นคงแล้วก็มั่นใหญ่ได้ว่าเราไม่เราไปดีแล้วท่านเหล่านั้นที่ทําปาโมดได้เกิดเมื่อนั้นศะีลเป็นปใจใัจจัยเกิดปาโมดเป็นปใจใัจจัยเกิดปีติปสัสสติสุขสมาธิยถาภูตะยานาทัทสนานิพิทาเวลาคาวิมุตติในส่วนจริงเป็นปใจใัจจัยเกิดมากขณ์ อันนี้เขาเรียกว่ายังปีเดี้เกิดขึ้นจาการประโยชน์จากการอยู่ป่าจึงตรัสว่าเป็นผู้อะไรพระผู้ภีพระพพเจ้าอาศัยอำนาจประโยชน์อย่างนั้นแล้วจึงตรัสว่าจัดเป็นผู้อะไรหมายความว่าถ้าอยู่ในบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้อะไรอะไรไั่นมปชื่อของตัณหาเนะเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะปะปัดจัดตังเยวะสติงอุปัฏ เตสันติจะเข้าไปตั้งสติไว้ในกายของตนตั้งสติไว้ในกายของตนแล้วก็กําหนดลงในกรรมฐานเพราะในกายของเราเนี่ยจะกําหนดเป็นกายานุปัสสนาก็ได้กําหนดเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาก็ได้ใช่ไหมถ้ากายานุปัสสนาก็กําหนดของส่วนของรู ป, ปกายจะกําหนด อาณาตานา บ, บอิริยาบทบบสัมปชัญญะบบปฏิโกณมนุสิการบบจตุธาตมนุสิการบบหรือว่านวสีธิกาบบใช่ไหมในส่วนของกายานุปัสสนาก็ได้หรือจะกําหนดเวทนานุปัสสนาก็ได้หรือจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสรุปก็คือว่าเอาสติไปตั้งไว้ที่การของตนเองแล้วก็ใข้ครวนว่า มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปฐานส่วนบทว่ปเปศลาก็แปลว่าผู้น่ารักเหล่าภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปราถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาในที่นี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสย่ำไม่กระทําสามีจิกรรมมีการต้อนรับรับ บ, บาติวรปูอาสนะพัดด้วยพัดใบตาเป็นต้นแก่ภิกษุผู้มาถึงแล้ว อันนี้ก็แปลว่าภิกษุที่ไม่ปฏิบัติวัดเสียงตีเตียนภิกษุเหล่านั้นก็กระพือไปว่าเราภิกษุวัดนู้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่กระทําวัดปฏิบัติแก่ภิกษุผู้มาถึงในวัดบรรดาเชตทั้งหลายได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็ผ่านประตูวัดไม่ยอมเข้าวัดบอกวัดไหนนี่นะสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยปัจจุบันอันนี้พูดเรื่องสมัยก่อนทั้งอะไรเดียวต้องทำไม สมัยก่อ น, นนะดดเนี่ยนะวัดใดเนี่ยมีพระที่ไม่รู้พระวินัยไม่ปฏิวัติวัดต่างๆเนี่พระเหล่าบัณฑิตทั้งหลายก็เดินผ่านวัดหมดเขาไม่เข้าแว่เยี่ยมแต่ถ้าวัดไหนเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วหนึ่งพระที่อยู่ในวัดนั้นน่ยมีศรัทธาทําวัดอุปะถากมีการทําสามีกิกรรมต้อนรับรับ บ, บาจิวรปูอาสนะพัดพัดด้วยพัดใบาตาลให้เป็นต้นเหล่านี้ย เขาก็แวะเข้าไปเพราะว่าเข้าไปแล้วก็ทำวัดอุเบกฐานส่วนสำหรับภิกษุที่มาแล้วเมื่อไม่มาเมื่อไม่มีวัดอยู่ภาสุกเหล่าภิกษุที่ไม่รู้มาแล้วก็คิดว่าก่อนจะอยู่แต่ก็ต้องออกไปเสียด้วยเหตุว่าพวกเรามากันแล้วแต่เพราะความไม่นำพาของภิกษุเจ้าของถิน่นใครจักอยู่ได้เมื่อเป็นดังนี้วัดนั้นภิกษุอื่นก็มาอยู่ไม่ได้เป็นต้นแต่นั้นเหล่าภิกษุเจ้าถิน่นเมื่อไม่ได้พบเหล่าภิกษุผู้มีศีล ก็พอได้ภิกษุช่วยบรรเทาความสงสัยไม่ได้นะเช่นสงสัยในคำสอนของพระพุาธเจ้าก็ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนอะไรต่างๆเลยเนี่ยไม่ศึกษาธรรมะบรรยายไม่ฟังธรรมอันไปเราะภิกษุเจ้าทินเหล่านั้นก็เป็นอันไม่ได้รับธรรมที่ยังไม่ได้รับไม่ได้กระทาการสาธยายธรรมที่ได รับฟังมาแล้วครั้งนั้นภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้นก็มีแต่ความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญเลยนะเข้านะเข้ากสีเศร้ามองสมาธิเศร้าหมองปัญญาเศร้ามองข้อวัดปฏิบัติเสื่อมโทรมลงไป เ, เ, เ, เ, เรื่อยๆในที่สุดจริงๆก็เป็นเหมือนคารวะาเลยตัวนี้ต่างแต่เพียงว่ามีจีวรห่มเท่านั้นเองจะเข้าใจใช่ไหมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะไม่ได้ฟังคําสอน ส่วนภิกษุเหล่าใดปราถนาเพื่อนพรหมจารีมาภิกษุเหล่านั้นมีศรัทธามีความเลื่อมใสกระทําการต้อนรับเป็นต้นแก่เพื่อนสระพรหมจรีที่มาแล้วเนี่ยจัดหาเสนาสนะให้พากันเข้าไปพิค ข, ขาจารย์มันเทาความสงสัยเลยฟังทำมันเพลาะเมื่อเป็นเช่นนี้นะกิตติศัพด์ของภิกษุเหล่านั้นก็ฟุ้งกระจรไปจากวัดโน้นสู่วัดนี้ศรัทธาเลื่อมใสถึงพร้อมด้วย การส่งเคาะอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังอย่างนั้นแล้วเนะีแม้อยู่ไกลก็อยากจะมาหาเหล่าภิกษุเหล่านั้นเจ้าของถิ่นทําวัดแก่ภิกษุคันตุการเหล่านั้นมาใกล้ๆแล้วก็ว่ายาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้วก็นั่งถืออาสนะใกล้อาคันตกะผู้อ่อนกว่าก็ถามว่าพวกท่านจักอยู่ในวัดนี้หรือจักไปเมื่อคันตุกะตอบว่าจักไปก็กล่าวว่าเสนาสนะสบายภิกษุก็หาได้ง่ายไม่ยอมให้ไป ถ้าคันตุกะเป็นวินัยทรก็สาธยายเวินัยทรในสำนักของพระวินัยทรถ้าคันตุกะเป็นพระ ส, สูตรทรงพระ ส, สูตรเป็นต้นก็สาทายธรรมนั้นๆในสำนักของพระธรรมนั้นอยู่ในโอวาทของอาคันตุกะผู้เป็นเทระย่อมบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเหล่าพระคันตุกะจะอยู่สักวันสองวันจึงกล่าวว่าพวกเรามาแล้วจะอยู่สักสิบวันสิบสองวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีการอยู่ร่วมสบายเป็นที่ว่าเก่าเขาจะอยู่แค่วันสองวันเนี่ยแต่เพราะเขาต้อนรับดีใช่ไหมแล้วก็รับฟังโอวาทว่าง่ายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นภิกษุที่มาก็ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ก็ให้หมดเลยด้ยแล้วก็สังเกตอธัธยาศัยเ อ, อเหมาะหุ้มควรแก่จะเจริญกรรมฐ า, านอะไรก็ให้กรรมฐ า, านในส่วนจริงบรรลุได้มีโอกาสบรรลุได้ าพรถ้าพระพระในสมัยก่อนเขาเลือกเขาเน้นลักษณะอย่างนี้อยู่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าพระเนี่ยท่านความอดทนไม่เท่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเห็นใครปฏิบัติต่อท่านไม่ดีเนี่ยท่านไม่ง้อเนีใจท่านไม่ได้สั่งสมมาเพื่อจะให้ใครอย่างจริงจังเท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมท่านบอกอจะมาเป็นขี้ข่าอะไรพวกนี้ทําไมว่างั้นหนีเลยเงี้นะพระในยุคก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างท่านพระสาริบุตรว่าโมฆราเนี่ย ถ้าหากว่าดูว่ า, าพับดื้อ ว, ว่ายากอะไรต่างๆไม่อยู่นี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าทรงสแสดงอปริหายธรรมห้าในเนีสแสดงบอกว่าภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีการงานเป็นที่มาเย็นดีจักไม่ย็นดีในการงานไม่ประกอบหนึ่งน่งซึ่งความเป็น ผู้มีการงานเป็นที่ยินดีเรื่อข้อแรกอันนี้เป็นอาิอาหานิยธรรมอีกอีกอีกห้าในนะีหมายความว่าตรงนี้เป็นเจอย่างนะั่นแหละแต่แสดงอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายยังไม่มีการพูดคุยกันเป็นที่มาเยินดีจักไม่ยินดีในการพูดคุยกันไม่ประกอบเนืองเนืองซึ่งการพูดคุยกันข้อที่สามภิกษุทั้งหลายยังไม่มีการหลับ เป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการหลับจักไม่ประกอบเนึ่งเนืองซึ่งการหลับ 4. ีภิกษุทั้งหลายจักยังไม่มีการคุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีด้วยการคุกคลีด้วยหมู่คณะประการที่ห้ภิกษุทั้งหลายจักยังไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกจักไม่บรรลุอานาจหนความปรารถนาลาโมกประการที่6กภิกษุทั้งหลายจักยังไม่มีความคนชั่วเป็นมิตรจักไม่มีคนชั่วเป็นสหายจักไม่มีคนชั่วเป็นเพื่อน ประการสุดท้ายที่เจ็ดภิกษุทั้งหลายจักยังไม่หยุดเสียในระหว่างด้วยการบรรลุธรรมวิเศษขั้นต่ำแปลว่าท่านยังไม่รู้ขั้นสูงไม่ยอมหยุดเรายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเริ่มหยุดแล้วนี้ไม่เอาคือคือท่าไม่หยุดเลยนะไม่หยุดก็ในสุมังคระวิราศสีอัตถกถาบอกว่าภิกษุชื่อว่ากัามมารามะเพราะมีการงานเป็นที่มายินดีกัามมารามะ กรรมมรตะเพราะยินดีในการงานงานที่จะพึงทำเรียกว่ากรรมเช่นถ้าเป็นพระก็พวกจัดจีวรกระทำจีวรช่วยทำวัตถุมีกองเข็มถลกบาดสายโยกประคดเอวเชิงรองบาดเขียงเท้าและไม้กวาดเป็นต้นอันนั้นเขาเรียกว่าทำางานงานยิ่งอยู่ภิกษุบางรูปเมื่อกระทำกิจเหล่านี้ย่อมทำกันทั้งวันทีเดียวบางคนเนี่ย โอ้ไม่มีอะไรเละทำมันทั้งวันมีจริงๆนะพระบางองค์เนี่ยนินทาพระนิดแต่เขาชอบทำาัแบบเนี้ยเขาไม่ไวันวันหนึน่งก็ทำพวกเนี้ยสายโยกบังตะคบบาบ้างประคตเอวเชิงรองบาทเทียงเท้าเป็นต้นเหล่านี้ท่านหมายการทำทั้งวันจึงห้ามห้ามไว้ส่วนภิกษุเราใดทากิจเหล่านั้นในเวลาทากิจเหล่านั้นเท่านั้นในเวลาเรียนอุเทศ ก็เรียนอุเทศเรียนอุเทศก็เรียนหัวข้อเช่นว่าเราท่องสูตรเนี่ยนะเช่นท่องคําสอนต่างๆแต่ละข้อแต่ละข้อเฉพาะเฉพาะหัวทิอุเทศหรือหัวข้อไว้ก็มาท่องในเวลาสาธยายก็สาธยายในเวลากวาดลานวัดเจดีก็ทกํากวาดลานวัดกวาดลานพระเจดีในเวลามณฑสิการก็ทําการมนฑสิการตรึกนี่นะพิกษุเหล่านั้นชื่อว่ามีการงานเป็นที่มายินดี มไม่เชื่อว่ามีการงานเป็นที่มายินดีถ้ามีการงานเป็นที่มายินดีนะี่ยไม่ดีเขาเรียกว่าคนขยันเนี่ยไม่ดีขยันต้องงานต่อพืชนี่ยเอเตื่นกันมาก็รีบจัดกับข้าวจัดน้ําเข้าสวนแกกแกกแกกเย็นกลับเนี้ยไม่ดีไม่ใช่ดีนะเขาเรียกว่าไม่แบ่งเขาใช้ไป หรือว่านั่งอยู่หน้าเย็บ yeah, ผ้าถ้าเพื่อไม่ได้ําแล้วเย็บ yeah นั่นเพลินเนี่ยนะทําแล้วนเพลินเขาบอกมีมีการงานเป็นที่มายินดีเสียอะไรเสียกรรมฐานเสียเวลาสาธยายคําสอนใช่ไหมเราต้องแบ่งงานเพราะเพราะชีวิตเราอั น, นั้นมันไม่ใช่แนวทางที่จะไปในพบหน้าอะไรเลยนะที่เราไปทําเนี่ยมัแค่จะหากินในภพนี้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแค่นั้นแหละแค่ตรงนี้ ทีนี้ว่าชีวิตมันไม่ใช่อยู่แค่จะจะอยู่กับกรารใชกายที่แค่กินกินแค่วบเนี้แต่ในพบต่อไปล่ะเราจะมีอะไรใช่ไหมเราจะมัวยินดีกับการงานตรงนี้ไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจเนี่ยสอนให้คนแบ่งงานถ้าพลาดไแล้วเนี่ยต้องต้องรู้ว่าโอ๊ยไปมัววุ่นกับการงานกับบาทกับจิวรนี้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ไม่ทํานะ ภิกษุเหล่าใดก็ทําการเจราจาตาสัยด้วยเรื่องเพศหญิงเพศชายเป็นต้นหมดเวลาไปทั้งกลางวันโอ้โหบางทีก็เอาเรื่องของดารานักร้องเรื่องดนตรีเรื่องของคามเรื่องอะไรต่างๆคุยทั้งวันเนะี่ยเริ่มต้นก็มาถกกันในเรื่องนี้ข่าวอะไรดังก็ เ, เรื่องนั้นมาคุยเสียเวลาไปเป็นวันเลยนะตั้งคืนคุยต่อยกันเช่นเนี้ยไม่จบภิกษุนี่ชื่อว่ามีการคุยเป็นที่มาย็นดี ส่วนภิกษุใดนะผู้ทำรรแก้ปัญหาธรรมชื่อว่าไม่มีการคุยเป็นที่มายินดีภิกษุนี้ชื่อว่าคุยจบทีเดียวเพราะเหตุใดเพอพระผู้เปภาคเจ้าตัดไปว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมกันมีกรณีกิจสองอย่างเนะถ้าพวกเธอเนี่ยนะจะจะเข้าหาการประชุมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่นะให้ทำกิจสองอย่างหนึ่งพูดทำมาสองนิ่งอย่างพระอริยะ ทำได้ไหมถ้าเจอหน้ากันก็ถ้ามันอยากคุยกันจัดๆก็ยกหัวข้อธรรมมาขึ้นมาคุยถ้ามาอย่างนั้นก็คือต่างคนต่างนิ่งๆอย่างผ้าลี๊ะแมื่แต่เรามองภาพตรงนี้แล้วงดงามเนี่ยผ้าในยุค ก, ก่อนท่านงามอย่างเราอินทร์น่ะเนี่ยโอ้อนทร์นโรจะจะมีคนที่บ้านเนี่ยตอนนั้นบหวตใหม่ๆพี่แรกเลย อาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าห้ามพูดกันเพราะไหมือชอบคุยกันแล้วเกินใช่ไหมห้ามพูดก็ไม่ยุยทีนี้เอาให้มาสมาทานเลยไม่พูดเขาบอกสมาทานไม้พูดนี่คนไม่มีคําสอนแล้วไม่ให้เป็นพูดก็จะระเบิดตายมีบางคนก็ไปตะโกนอยู่ในห้องน้ําเสียงตะโกนลั่นเลยห้องน้ําขาบอกเขาไม่ได้พูดกับใครเข <c oughs> พูดกันเดียวก็ อันนั้นไม่ใช่เขาให้ถ้าพูดก็พูดคุยธรรมะคุยแบบมีสติกแล้วก็นิ่งอย่างบริยะพิกสูจใดเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีถูกทีนะมีทาครอบนำแล้วก็นอนหลับได้ทั้งวันอันนี้คือกลุ่มนอนมากบางทีเดินไปเดินมานั่งไม่รู้จะทําอะไรหลับดีกว่าอะไรเนี่ยนะเคยเป็นไหมเคยเป็นใช่ไหม พิกษุเหล่านี้ชื่อว่ามีการหลับเป็นที่มายินดีถ้าเรื่องหลับเรายกไว้ให้เดินไปเดินมาหลับขึ้นรถก็หลับไปไหนไปมาก็หลับเนี่ยเนี่ยไม่ได้กําหนดอะไรต่างๆเหล่านี้คือตื่นก็พูดนะประโยชน์พูดแปลว่าหลับหรือไมก่ก็กินอะไรเงี้ยเนี่ยบงทีบนั่งนั่งรถไปเนี่ยนะ ถ้าเป็นรถเบสารรถไหลต่างๆรถเหลยวพอเสียงคุยกันแล้วจอกแล้แจ๊กเนี่ยพอเสียง <Yeah. S 1> เสียงเงียบหลับมานี่หลับกันเป็นแถวหมดนึกเนี่ยเขาอยู่กันด้วยความหลงจริงในคนเรานเนี่ยเนี่ยเขาเขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรมากกินกินกินกินหลับแล้วก็พูดบางทีก็เสียงว่าแกบแล้กบแล้วแกลแล้วแกลบแล้วแกลบแล้วเหมือนอะไรแล่ะโอยโหลมองไปข้างล่างรถนี่เต็มหมดเสร็จขยะแล้วก็ มุงทีบงคนก็ใส่ถุงบางแต่โดยพอเสียงเงียบก็หลับแต่ลรภาพเรามีอาการต่างๆกันออกไปอย่างนี้เ็าเรียกว่ามีการหลับเป็นที่มายินดีส่วนภิกษุใบหลับเพราะความเจ็บโดยทางกายเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธมีพระญาตรัสว่าดูก่อนอักขิเวสนะเรารู้ยิ่งว่าปลายเดือนฤดูร้อนภายหลังกลับจากบินทบาท กปูลาสังคติสี่ชั้นมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับโดยตะแคงข้างขวาเขามีสติสัมปชัญญะในการหลับอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มีความหลับเป็นที่มายินดีภิกษุใดมีเพื่อนหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปคุกคีกันอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้รับความยินดีแม้แต่ผู้เดียว ภิกษุนี้ชื่อว่ามีการคุกคลีเป็นที่มายินดีบางทีก็ไปหาเพื่อนลวงนั่นเพื่อนนี่เนะ่เคยอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาเคยเป็นไหมเคยจะอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาถ้าจะอยู่คนเดียวเปิดตัวทั์ <c oughs> อันนี้ก็เรียกอะไรมีการคุกคลีการเปิดตัวทัฐก็ชื่อว่าคุกคลีเนะมีการคุกคลีเป็นที่มายินดี ส่วนภิกษุใดได้ความยินดีในอิยาบททั้งสี่ยินดีในอิยาบทยืนเดินนั่งนอนแต่เพียงผู้เดียวภิกษุนั้นเพือ่อเพิ่งทราบ ว, ว่าไม่ใช่ผู้มีความคุคคีเป็นที่มายินดีอยู่ในอิยาบทยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญาในการก้าวในการเดินในการยืนใช่ไในการถอยในการกลับพิจารณาดูอิยาบทยืนจิตที่คิดจะยืน แล้วก็วายโยธาติพัตผันไปในกราชกายที่เป็นปัจจัยเกีการยืนจิตที่คิดจะเดินวาโยธาติพัตผันไปในในอิเราบทที่เป็นการเดินและจิตที่คิดจะเดินว่าเป็นจิตประเภทไหนเป็นต้นสามารถแยกแยะโดยความเป็นรูปเป็นนามด้วยความเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลลักษณะอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีความคุกครีเป็นที่มายินดีนี่เป็นอย่างนี้ เราภิกษุผู้ประกอบด้วยความปรารถนายกย่องคุณที่ไม่มีอยู่จริงเป็นคนทุศีอนคนทุศีนเนี่ยนะอวดอ้างว่าตนได้ฌานมีปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านอวดอ้างคุณวิเศษทั้งหลายนี่เป็นเรื่อเขาเรียกปรารถนาลามกคนปรารถนาลามกนปรารถนาลามกปรารถนาอะไรลาบเนี่ยนะปรารถนาลาบปรารถนาสกาละ ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าปรารถนาลาโมกนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะบอกว่าปลาประมิตรเพราะมีมิตรชั่วปลาปัสหายเพราะมีสหายชั่วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าไปด้วยกันในเอียบวทั้งสี่ก็แปลว่าไปคบคนไม่ดีเนี่ยกินเดินด้วยกันนั่งด้วยกันยืนด้วยกันนอนด้วยกันก็คบกันในเอียบททั้งสี่ นี่เขาเรียกว่าเป็นคบปาปมิตรปาปสหารไปไปว่าได้ถอยปะเดวตามไ ป, ไปเพราะเป็นเพื่อนในหมู่ภิกษุชั่วเพราะเหตุนั้นเป็นผู้โอนอ่อนผนตามภิกษุชั่วนะเขาเรียกว่ามีเพื่อนไม่ดีแล้วก็ไปอ่อน ไปโ อ, อนอ่อนผ่อนปนตามตามภิกษุที่ชั่วนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ถึงที่สุดหมายความว่าถ้ายังไม่ได้เป็นรู้เป็นบ้ารหารไม่หยุดเพียงแค่ศีลและวิสุทธิเออบางทีนี่นะการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนก็ยอยู่อยู่แค่ทานเนแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันจเจริญรุ่งเรืองอะไรไปมากกว่านั้น บางคนก็อยู่แค่ศีลบางคนก็อยู่แค่สมาธิบางคนก็อยู่แค่ฟังธรรมเลยเนะี่ไม่ไม่ลดหน้าไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิกษูทั้งหลายผู้ยังไม่ถึงที่สุดคืยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันตะ์ก็ไม่หยุดไม่หยุดเพียงแค่ศีลวิสุทธิ์ที่เพียงแค่วิปัสสนาเพียงแค่ฌานไม่หยุดเพียงแค่เป็นะโสดาบันระสกาทาคาภาณาคา .Pixel ทั้งหลายหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมเลยก็หมายความบอกว่ า, ว า, ว า, วาถ้าเรายังไม่ได้คุณวิเศษใดๆต่างๆเป็นต้นเนี่ยเราจะไม่หยุดใช่ไหมก็ไม่ยอมหยุดลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่หยุดก็ทําตนเองให้เข้าถึงความเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยยิ่งขึ้นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วประการต่อมาพระพุทธองค์ก็แสดงอปริาหายาธรรมอีกเจดประการนะ ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีศรัทธาภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีหิริภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีโอตตาภิกษุทั้งหลายยังเป็นพระหูสูตรภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ประกอบความเพียรภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีสติเข้าไปตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีปัญญาหมายความว่าอปริหายธรรมก็คือมีศรัทธามีหิริมีโอตตาเป็นพระหูสูตรมีความเพียรมีสติเข้าไปตั้งไว้มีปัญญาเขาเรียกก็มี อริยทัพย์มันนะแต่ในที่นี้เป็นอปริหารยธรรมมีอปริหารยธรรมแล้วก็บอกภิกษุทั้งหลายเอราริหารยธิมเจ็ดประการเหล่านี้ยังจัะตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรลภิกษุทั้งหลายเพิ่งหวังความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอย่างั้นอันนี้ก็กล่าวว่าถ้าหากว่า เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสือ่อมและประการต่อมาพระพุทธองค์ก็แสดงอัปปริหานิยธรรมอีก7ประการภิกษุทั้งหลายยังเจริญสติสามพุทชงบอกบอกว่าภิกษุทั้งหลายแต่ถาคตแสดงอัปปริหฐานิยธรรม7ประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเนี่ตาถาคดจักกล่าวดูก่อนพิกษุดทั้งหลายทิกษุทั้งหลายจักเจริญสติสัมโพชงตลอดการเพียงรายภิกษุทั้งหลายเพงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมีได้แล้วก็จักเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัตสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงแล้วก็อุเบคาสัมโพชง์ ถ้าหากว่าจเจริญโพชฌงต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะจะถึงบุเบขาสัมโพชฌงตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายก็จะหวังความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสือ่อมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปิริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ยังจัดตั้งอยู่แก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักยังยินดีร่วมกันในอริยะอปิริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพึ่งหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้และท่านก็แสดงทำอีก6กประการนะอีก6กประการก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของบอกว่าอันนี้ก็จะบอกว่าภิกษุทั้งหลายยังจเจริญอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาอาสุภาษ์สัญญาอาทีนิวสัญญาปหาณสัญญาเวลาค่าสัญญาแล้วก็นิโรธสัญญาก็ พูดถึงในเรื่องของสัญญาเจ็ดประการเนี่ยเนยบอกว่าภิกษุทั้งหลายยังเจริญอันนี้จะสัญญาความกําหมดหมายว่ารู้ว่าไม่เที่ยงตลาดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายหวังในความเจริญคำว่าอันนจะตสัญญาเนี่ยตรงนี้ต้องเยอะคงต้องขยายนะต้องขยายวันเสาร์ต่อไปเพราะว่าความสำคัญหมายด้วยความไม่เที่ยงส่วนอนัตตสัญญาก็คือว่า ความกำหนดหมายความกำหนดหมายเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็หมายความว่าเห็นสังขารโดยความเป็นอนัตตาส่วนอสุภัสัญญาก็คือกำหนดหมายเห็นโดยความไม่งมอาทินวสัญญาก็คือกำหนดหมายด้วยความเห็นด้วยความเป็นโทษเช่นสังขารที่เป็นไปในภูมิสามเนี่ยเป็นโทษแล้วก็ปหานสัญญานั้นหมายถึงการละ มีแตท่ทางข้าประหารวิคามพนะแล้วก็สมุเชทาประหารก็วิราค่าสัญญาวิราค้าสัญญานั้นเป็นชื่อของอริยมรรคิโรธาสัญญาเป็นชื่อของการดับนะสัญญาที่เกิดขึ้นพร้อมกับอนิจจานุปัสนาชื่อว่านิจจสัญญาแม้ในอนัสตาสัญญาเป็นต้นก็เหมือนกันคำอธิบายตรงนี้เดี๋ยวจะไปขยายอีกทีทีนี้ในการศึกษาตรงนี้นะ ในมหาปริานิพานสูตรเนี่ยก็จะว่าไปตามลําดับคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเริ่มตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงอภริหารยธธรรมเป็นต้นไปตามลําดับไปจนถึงว่าในภารรษาการสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงทรงประทรับแล้วก็ทรงแสดงเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ ในสูตรนี้ก็จะใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างนานพอสมควรเลยเนะี่ยอาจจะหลายหลายวันสาววันนี้ก็พอสมควรเก่เวลาเดี๋ยวจเจริญกรมาานกันสักเล็กน้อย